คำว่าไม่สละกลีกจาริกไปความว่าไม่สละแก่ภิกษุณีสิกขามานาหรือสมณีนนรีเมื่อเดินพ้นเขตที่พักมีรั้วล้อมต้องอวบไปจิตตีเดินพ้นบริเวณที่พักที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอวบไปจิตตี